ขอโอกาสกนันทัองเรือว่าเจริญพรอยัางญาติโยมในธรามถูกตั้นการเคลื่อนไหวเจริญสติเดินจงกลมนั่งสร้างจังหวะจะาสนถูกต้องแล้ ว, วต่อเนื่องเปนการเจริญวิปัสสนาล้วน เป็นการเข้าถึงสภาวะของความเป็นปกติจิตไม่ลองผ่านวิชาสามหรืออภิญญาหกมันเป็นการเข้าถึงเป็นการเข้าถึงสภาวะของความไม่ทุกข์ขณะเดียวขณะเดียว ตรงนั้ละเราเตียมมาฝึกมหาหัดกันเป็นการเดินทางแต่ละคณะทำให้เราเข้าใจชีวิตได้สัมผัสกับธรรมะเป็นธรรมะธรรมะรูปปฏิบัติมันเกิดขึ้นทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบ ในรูปแบบโดยจะลำบากสักนิดหนึ่งเป็นการคูดเกลหรือว่าปฏิบัติอย่างลำบากแต่ว่าให้ผลเป็นเลิศให้ผลได้ไวหรือจะปฏิวัติอย่างสบายอยู่ไปวันวันหนึง่งแล้วให้ผลอย่างเลิศให้ผลได้เร็วก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับสติที่มันคมชัด มันจะส่งผลให้เราใช้ชีวิตตังต่ตื่นยันหลับเป็นความรู้สึกตัวได้จะทำอะไรก็ตามก็เป็นความรู้สึกตัวตงตื่นยันหลับตื่นขึ้นมารู้สึกตัวมีความคิดเกิดขึ้นมามันก็รู้ทันมันเป็นกำลังของสติที่มันมีอยู่ ลุกขึ้นมารู้สึกตัวพับที่นอนหมอนมุง้งผ้าหม่มรู้สึกตัวล้างหน้าแปรงฟันก็รู้สึกตัวกลยเป็นกิจวัตรประจําวันทั้งวันปฏิบัติอย่างสบายให้ผลได้ไวแต่ก็ตรงวันข้ามเป็นบัติลาบากให้ผลได้ช้าหรือว่าปฏิบัติอย่างสบายแต่ให้ผลอย่างช้าต้นแรกมันขึ้นอยู่กับ คุณภาพของชีวิตคนแต่ละคนละมันไม่ใช่ทำมากทำน้อยเกี่ยวกับคุณภาพของความรู้ที่มันปรากฏมันเป็นการคิดรู้หรือว่าสัมผัสรู้ตัวนี้สำคัญข้อมูลมาจากไหนจากกายจากใจตรงๆหรือว่าต้องไปฟังต้องไปดูจากฐานข้อมูลอื่นๆ ต้องสร้างศรัทธาความเชื่อต้องมีความเชื่อหรือต้องให้ทุกมันทีบก่อนทุพเพราะรูเพราะหลานเพราะบ้านเพราะทรัพย์หน้าที่การงานสังคมเศ ร, รษฐกิจการเมืองหรือว่าสุขภาพของตัวเองมากๆเฉียดตายหรือแก่ทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้เราก็ไม่ประมาทกัน เป็นชีวิตที่เราต้องใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับโลกเกี่ยวข้องกับโลกธรรมทำคู่โลกเกี่ยวข้องกับอาการของกายของใจซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาที่ยิบเรามีสิทธิทใช้หน้าที่ของกายของใจให้ก่อประโยชน์เรีมงคลที่เราสวดการ38รสถ้ามีสติกุศลธรรมมันก็เกิดขึ้นมาทั้งหมด กุศลธรรมก็คือความฉลาดถ้าความฉลาดเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเราจะไปทําชั่วพืชชั่วเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นมีแต่ตรงไหนคือจุดอ่อนกับแก้ไขกันไปตามที่เหตุปัจจัยมันจะเกิดขึ้นมาให้เราได้ทําก็หมายถึงสติปัญญาผ่าธรรมความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่ มันก็ได้ใช้ ก, การคิดกับการพูด ก, การทำเรียกว่ามโนกรรมวัชีกรรมกรรยายกรรมตรงนี้เป็นแหล่งเกิดบาปเกิดบุญเกิดดีเกิดชั่วเกิดสุขเกิดทุกข์ทำให้เรื่องเดือดร้อนก็ได้ทําให้อื่นเดือดร้อนก็ได้ทําให้เกิดการงานได้สตาลก็ได้ทําให้เกิด ผิดศีผิดธรรมก็ได้มันก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เท่ารู้ทันโดยเพาะกลไกความคิดเจตนาคิดไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าไม่ได้เจตนาคิดเนื่องจากไม่รู้สึกตัวตัวนี้นมันสร้างปัญหามากเรืมเนื้อเืมตัวหลงโลกหลงตัวเืมตายหลงกายเรืมแก่ หลงผัวลืมพ่อหลงเียเมีเยลืมแม่เนี่ยมันก็หลงรูปรดกลิ่นเสียงโปิดาธรรมลมหลงก็คืออาการที่เรียกว่าลืมเนื้อลืมตัวไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกที่เวทนาไม่รู้สึกที่จิตไม่รู้สึกที่ความคิดไม่รู้สึกธรรมาชาติต่างๆธรรมาชาติธรรมะธรรมาชาติ ความเป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมดารามดาที่มันมีอยู่ตลอดเวลาเวลามีความมืดมีความสว่างมีร้อนมีหนาวมีฝนตกมีแดดออกมีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสมมติมีบัญญัติมีความจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราเห็นมันไม่ได้นอกจากไม่เคยสังเกตไม่เคยฝึกหัด ไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยรู้าศาสนาพุทธสอนอะไรให้ละชั่วยังไงให้ทำดียังไงให้ชำระจิตยอย่างไรเราก็เลยได้ประโยชน์ประโยชน์จากกายจากใจจากชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดทบทวนเห็นแล้วว่าการเดินทางที่มันเป็นกำไรของชีวิตก็คือวิมุตต์หลุดพ้น กลับมาหาความรู้สึกตัวกลับมาหาพระนิพัน์กลับมาหาความจริงที่เราต้องไม่ปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้ความรู้สึกตัวตลกขณะตละขณะที่เราเก็บเกี่ยวกันตั้งแต่อยาไปหาละเอียดตั้งแต่ความรู้สึกในการเคลื่อนกันไหวที่เราเจตนากับทำกรรมฐานกรรมาฐานนี่ต้องเจตนาทำไมเจตนาไม่ใช่กรรมฐาน ต้องมีเจตนาลงไปกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องเจตนาลงไปทำไมเจตนาไม่ดีไม่ชั่วหรอกนะเจตนาคิดดีพูดดีทําดีมันก็ประทับเอาไว้กลนะายเป็นจริตนิสัยต่างๆมีบากกรรมปรากฏอันนี้สองปรากฏคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วนะมีบากระปรากฏท้ายสุดกลายเป็นอาตาจัดก็อยู่ตรงนั้นแหละทำจนเป็นจริตนิสัย จนเชื่อเชื่อตัวเองเป็นทิฏฐิมานะองังการบังการเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นคว า, ามยิงพยองลำพองทรรนงและโออวดนี่เราก็เห็นมันก็มีอยู่ในตัวคนทุกคนนะั่นแหละเราเห็นเราเร า, เ, ราเห็นเขามันปฏิเสธกันไม่ได้ตรงนะีไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นความปรึกกฎของธรรมะกฎของไสยธรรม กฎของธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะที่เรามานิ่งๆแล้วก็ได้เห็นอะไรมากมายแล้วกเป็นภาวะของพูดดูดูด้วยสติดูด้วยปัญญาตาในมันเห็นมันจึงมีหลักฐานชัดเจนที่จะผูกมัดน้าคาหนังคาเขาทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่มันเป็นหลักเป็นฐานมุฉโนดมันต้องปักบนที่ดิน ไปตักปักรอยบรอากาศมันก็ได้อยู่เหมือนคอนโดนะแต่ต่อไปไม่ไปแล้วใครจะไปชี้ที่อยู่ด้วยว่าอยู่ตรงไห น, นชี้ไม่ได้หรอกเพราะนั่นมันต้องมีที่ดินชัดเจนหมดโฉนดปักอยู่ตรงนี้นะรู้ได้ทันทีไม่ใช่ลอยก้างอยู่บนอากาศนะพนันกานจะเห็นกายตามความเป็นจริงนะตรงนีน้มันต้องชัดเจนก่อนนะมีสติตื่นรู้นะปลุกจิตให้ตื่นจากฐานกายให้เป็น ส่วที่คิดเนี่ยเราจะรู้เอาเองว่าเราหลอกตัวเองหรือเปล่านะีตรงความคิดนั่นแหละกูรู้กูเก่งนะกูทําได้แต่ท้ายสุดจะทําได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเวลาผ่านก็สอบสอ บ, สอบตกหรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็ได้เห็นกันตรงนั้นนะเราเห็นเราเราเห็นเขานะก็จึงใช้ควาว่ากูดูกูแล้วก็บมึงดูมึงนี่ยนะคือการปฏิบัติธรรม กูก็จะดูกูมึงก็ดูมึงไปต่างคนต่างรัะเบียบตัวเองตรงนี้ประโยคนี้เราก็มาปฏิบัติกันอะไรเรื่อเก็บอารมณ์ต่างคนต่างสนใจตัวเองไปเคลื่อนไหวรู้สึกไปเราไม่หาความสุขการกินการนอนการพูดคุยกิจกรรมแบบโลกโลกต่างๆเราไม่ได้สนใจเรามาวัดมาวา่าบวชแล้วประวัติชะ สินห้า ส, ส, ส, ส, สินแปดสินสสินสอง่สิบเินกี่ข้อก็ะทำรวมรวในความรู้สึกแต่ละขณะการเคลื่อนไหวต่ขณะรักษาตัวเองให้ดีๆการย่างเดินไปมันก็มีภัยทั้งเราเป็นภัยกับผู้อื่นทั้งผู้อื่นมีภัยกับเรามีตะขาบมีงูมีแมลงตองมีกระรอกกระแตมีหลีดหลิงเลไลสัตว์สาราสิ่งเราก็บุคคลต่างๆมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ ความสำรวมเรามาระวังเรียกวมีศีลนะความเป็นปกติทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวจะเกิดความนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นมาแล้วความมีศีลปรากฏแบบนั้นการที่เรารู้จักใช้ระยะบดนั่งเดินยือนนอนแต่ละขณะแต่ละขณะเสี้ยววินาทีนะมีความรู้นะืรู้ตัวลงไปจนทั้งมันรู้ตัวทั่วสัพางกายตรงนั้น มันรู้เมื่อไหร่มันเห็นความคิดรู้เท่ารู้ทันเมื่อไหร่ล่ะความคิดที่เราไม่ได้เจตนาคิดตรงนั้นมันหายไปเองมันจะหายไปเองเหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นขึ้นมายาคาก็หายไปเองต้นยางต้นเต็งต้นลังต้นแดงไม่พรดูไม้มาค่าเกิดขึ้นมายาคาว่าจะพื่กจะหายไปเองอย่างลานหินโคง้งเมื่อก่อนเป็นป่า ย, ยาคา ต้องคอยปราบกันแต่ตอนหลังไม่ต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาต้นเดียวก็กินบริเวณเลยหลายเมตรมากหลายตารางเมตรที่ย้ามันไม่ขึ้นพอมันขึ้นกันดีๆก็เลยกลายเป็นว่าย่าหายไปเลยอันนี้ความรู้สึกตัวก็เป็นอย่างนั้นใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปตัวอกสนตัวบาปตัวความไม่รู้ก็หายไปเองมันหายไปเองความทุกข์ก็หายไปเองนะ พอทุกครั้งที่รู้สึกตัวเป็นความไม่ทุกข์มันอยู่กับโลกที่เป็นโลกของความเป็นจริงนะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันขณนนะเราก็เลยรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวอีกรู้ซ้ําๆทําซ้ําๆเพราะอาการเก่าๆจะได้เจือจางลงไปจากหนักไปหาเบาจากทุกข์มากๆกลายเป็นทุกข์น้อยลง ล, ลงลดลงลดลงลดลงอะไรที่เป็นสิ่งเสพติดก็กลายเป็นลดละเลิกลงไป มันจะสอนตัวเองเกิดความเป็นเองขึ้นมาเป็นกฎของธรรมชาติกฎของกรรมฐานเจตนากำหนดความรู้สึกตัวทุกครั้งที่กำหนดคำนัดก็ไม่เกิดไม่กรมัดกัดฟันโทสะจริตโมหจริตลาคะจริตวิตกจริตนี่มันกลายเป็นพุทธทิจริตขึ้นมาพุทธาจริตพุทธทิจริต เป็นจริยนิสัยนะที่จะกลายเป็นเรื่องของทําดีได้ง่ายทําชั่วได้ยากมีความสุขได้ง่ายความทุกข์เกิดยากปัญหาทุกปัญหาเปลี่ยนเป็นปัญญาอุปสรรคกลายเป็นอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตอย่างเง้ยตรงนี้แหละมันสุดยอดแล้วของการที่เกิดมาแล้วได้ชีวิตมนุษย์นะพอผู้ศรัทารู้จักสติปัฏฐานสีได้มีโอกาสฝึกอัดลงไปตรงๆมันจะ อ, อะไรอีกนะ มันก็จึงเป็นเรื่องของการเดินทางให้ไว้ที่สุดชีวิตประมาทไม่ได้มันเป็นเรื่องของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เราพยายามที่จะแก้ไขตัวเองกันนะเรื่องของกายกมีโลคาปยาธิมีทุกข์กายเรื่องของใจมีทุกข์ที่เกิดภายในจิตใจความโลภความโกรธความหลงนะเป็นตน้นยังมีมากมายเป็นรายละเอียดของมันแล้วมันก็เกิดขึ้นมา ทุกะถ้าเราหลงเผลอความรู้สึกตัวก็จึงกำจัดเหมือนแสงสว่างกำจัดความมืดมันเป็นเรื่องของมงคลที่มีสติตั้งแต่ตื่นยันหลับเราทํทำมงคลให้เกิดกับตัวของเราชีวิตของเราถ้าลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราก็โกรธก็กลายเป็นอาบะมงคล ลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราก็เบื่อก็กลายเป็นอภิมงคลลุกขึ้นมาตอนเช้าทําวัดสวดมนั้นแล้วก็งกง่วงก็กลายเป็นอภิมงคลแทนที่จะได้บนก็ได้บาปอยเราก็เห็นแล้วไอ้ตัวมันเป็นอย่างงี้แหละตัวบนตัวบาปตัวดีตัวชั่วนในตัวเราตื่นเช้าขึ้นมากลายเป็นท้อแท้เบื่อหน่ายหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังใจไม่อิ่ม ก็กลายเป็นอกุศลกลายเป็นบาปเกิดขึ้นมาตอนเชา้าอับมงคลเสียงค้องดังชาวบ้านก็โมทนาสาธุชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนได้ยินเสียงค้องเกิดจิตเป็นบุญขึ้นมามีคนมาทําวัดมีคนมาสวดมนต์ก็รู้กันก็เป็นอมรสาธุก็เป็นมงคลขึ้นมาทันทีหลายคนเสียงค้องดังเอาละ เวลาพละออกมาทำาัตรสวดมนต์กันนันกบวชออกมาทำบัตรสวดมนต์กันนะเตรียมขึ้นกุฏิดีกว่านะจับปลาในสระดีกว่านะในวัดมีอะไรเดี๋ยวจะได้มาเอาเก็อาบมงคลก็เกิดขึ้นมะาเราก็เห็นชัดๆเลยบางทีมก็หลงเผลอไปก็เป็นอาบมงคลมันมารู้สึกตัวก็เป็นมงคลทำพันธิพาณให้แจ้งเมื่อกี้เราก็สวดกันการทำพันธิพาณให้แจ้งมันคืออะไรนิพานก็คือปกตินั่นแหละ จิตมันปกติมีความเป็นกลางมีความเป็นธรรมนะพานิพานมันก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะนิพานน้อยๆก็ปรากฏขึ้นไหมความเป็นอาหารน้อยๆก็ปรากฏขึ้นมามความไม่ทุกข์น้อยๆลำคือพระอรหันตนะ์แล้วนรู้สึกตัวจิตเป็นปกติปกติปกติทํามาสิบสี่สิบห้ า, า 30, ปีทำมาสามสิบปีก็เห็นอยู่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่ตัวไหนเลยแต่ความรู้สึกตัวมละเอียดลงแค่นั้นเอง มาเรียนลงเปรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้ทันสภาพธรรมทิมปรากฏถี่มกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความรู้สึกตัวที่ละเอียดที่ผัสสะรู้สึกว่าปกติรู้สึกว่าไม่ปกติคือความรู้สึกตรงนั้นเลยสามสิบปีปฏิบัติมาก็เห็นมีความรู้สึกตัวนี่ไม่ได้เห็นอะไรหรอกแล้วก็สิบสี่ปีที่มาบวชเดียวก็เพียรที่จะรู้สึกตัวจนมันชัดว่าเออไอความรู้สึกตัวเนี่ย มันเกิดขึ้นมาทุกทุกขณะที่มันแสดงออกเป็นกุศลอกุศลคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปก็คือความคิดตั้งนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์ก็คืออาการเราไม่ได้ให้ค่ามันเรคมันคืออะไรอ่ะมันก็คือความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นมาถ้าเรารู้สึกตัวทั่วสัพางกายแล้วมันให้คุณค่าเลยละคุณค่าของการที่กลับมาแล้วปฏิบัติธรรมธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแล้วก็มองเห็นโลกสมมติบัญญัตินนชัดเจนแล้วกิน แล้วแต่ก็จะว่ากันไปอย่างเช่นที่ดินหลังเขาเนี่ยตอนนี้เชียงว่ามันโคตรแพงเลยไปซื้อที่สารยางจะถูกกว่าที่น้ําท่วมในเทตอนี้ไม่มีราคาหลังเขาเนี่ยไล่ละสองแสนะไม่อยากขายเลยถ้าสามแสนและพอพูดกันได้มีเยอะแยะไปที่สวยๆนะแต่เดยมไม่เคยคิดอยากจะได้เลยเพราะว่ารู้แล้วพื้นที่ที่ดีสุดก็คือความรู้สึกตัวที่ฐานกายนะ มันเป็นหลักที่มันปักชัดเจนมากเลยนะมันอยู่ตรงไหนในโลกใบนะี้ตรงที่ว่ามีความรู้สึกตัวปลอดภัยที่สุดเลยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมไม่ใช่ที่ใช้หน้าไม่ใช่โชวอที่มังกรคาบแก้วนะ่ะหลังชนเนินหน้ามีน้ําแล้วก็ไปทางที่ตะวันออกอะไรแบบนั้นนะมันเห็นแล้วว่าอยู่ตรงไหนก็ได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวนแล้ว่าที่วันนี้นะไม่มีสิทธิแต่ว่าขายกันแพงมาก ไม่มีสิทธิ์นะใบอะไรก็ไม่มีสักอย่างสพบกสิคิสุสนหนึ่งก็ไม่มีนะทบทก็ไม่มีจนมันค่อยๆพัฒนาไปถ้าใครเป็นได้เป็นเจ้าของนานๆนะตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอ่าสองอหนึ่งไปเรื่อยๆจนนสอสามกอย่างี้แล้วก็มาเป็นโฉนดนะใครอยู่สัก20ปีข้างหน้าได้แน่โฉนดที่ดินถ้ารัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลงซะก่อน อันนี้ก็ไม่สําคัญแล้วอะเราได้ความรู้สึกตัวที่เกิดจากฐานกายชัดเจนจนเห็นวิวนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยเรามาพูดกันตรงนี้เรื่องของสติปัญญาแล้วก็เรื่องของมรรคผลนิพพานที่เป็นแนวเคลื่อนไหวจริงๆที่หลวงปู่เทียนเจี๋ย โ, โปได้สอนหลวงพ่ออมเขียนหลวงพ่ออมเขียนก็ให้ความเคารพแล้วผมและธรรมาก็ถือว่าหลวงพ่ออมเขียนเป็นครูบาอาจารย์ ถืออานัลยแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็คนทุกคนนั่นแหละคือครูบาอาจารย์ถือว่าคนที่อยู่ร่วมกันศึสษาลาเสียงคือครูบาอาจารย์ถือว่าธรรมชาติทุกๆยอมญาณ น, นั่นแหละคือครูที่แท้จริงที่สอนเราอยู่ตลอดเวลาทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสมมติบัญญัตินั่นแหละคือสิ่งที่สอนเราเป็นโจทย์เป็นข้อสอบที่สอนเราแต่เรากลับมาหาความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่า เราไม่เคยให้คุณค่าเราเคยให้คุณค่าวิชานะที่เป็นที่สุดของเทคโนโลยีโลกาภิวัตนะ์จนะีโนมิกส์นาโนเทควิชาการต่างๆคอมพิวเตอร์หนะรือวิชาการต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งวิ่งไล่ไม่ทันหรอกมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเราก็เสียเว ล, เวลาเรื่องพวกนี้มานานนานนะพยายามไขว่คว้าแล้วก็ให้เป็นที่หนึ่งให้เป็นที่สอง หรือย่างน้นอยขอเป็นที่สามเถอะหนึ่งในสามเนี่ยนะขอให้เป็นหนึ่งในสามไม่ได้จะทําอะไรก็ตามก็คือทําเต็มทีนะ่วิชาการต่างๆเรียนรู้เต็มทีนะ่ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีประกาศนียบัตรปริญญาบัตรไม่ได้หวังอย่างนั้นแต่หวังมีอะไรให้เรียนก็จะเรียนนะในโลกนี้มันมีอะไรบ้างดนะนตรีกีฬาดนะนตรีแล้วก็กีฬาคือพาระวิชาภาระ วิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาศาสตร์วิชาทหารวิชาตำรวจมาชาวิชายุทธสงครามวิชามารวิชาพระมากมายแล้วกันวิชาธรรมะพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียววิชามารวิชาโจรเยอะแยะไปหมดก็ก็มีวิชานโจรนะก็มีสัจจาโจรด้วยคำว่าสัจจาหมายถึงว่า การซื่อสัตว์ซื้อตรงต่อวิชาอาชีพของเรากนะ้อนหนึ่งก็สองก้อนสามวิชาโจรก็มีอะไรเช่นหนึ่งทลักขโมยไม่ลักหมดหรอกไหรือว่าให้เจ้าของก็บางสองไอ้ที่ลักมาแล้วนะที่หาได้เอไปฝังดินให้หมดอย่างเงี้เป็นโฉนดที่ดินนะหรือว่าเอาไปฝังใส่ไหายไว้ก็ได้นะโจรโบราณมันคิดอย่างนั้นไงสาม ปลนไม่เกินสามครั้งถ้าปลนเกินกนั่นหมายถึงว่ามันผิดวิชาโจรแล้วต่อมาก็คือถ้าปลนบ้านนี้แล้วปับ๊บจะต้องคุมกองทันทีถ้าหาว่าจรคนไหนมาซ้ำรอยนะเดี๋ยวโดนเนื่องจากเรามีบุญคุณต่อกันคนไหนมาปลนซ้ำแสดงว่าเป็นศัตรูกันทําพฤติกรรมเดียวกันนะเป็นศัตรูกันแน่นอน ต่อมาก็คือถ้าราชการไล่ล่าต้องวิ่งหนีอย่างเดียวห้ามสู้เพราะเราผิดจริงๆกฎหมายบ้านเมืองก็มีสังคมตกลงร่วมกันขยรใหญ่กว่ากฎหมายไม่ได้แม้ดังพระมาหากษัตริย์ก็ตามเพื่นะน้นจอนก็อยู่ภายใต้กฎหมายรู้ถูกรู้ผิดเมื่อกระจับได้รับสาภาพอย่างเดียวมันจอนร500สมัยพุทธกาลอย่างนี้นะหรือว่าเมื่อ ป้นทรัพย์สะดมทรัพย์ก็ไม่ฆ่าข่มขืนเจ้าทรัพย์อย่างเงี้นะไม่หวังของแถมอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นวิชาโจนวิชามารก็มีเรียนกันอยู่แต่เรามาฝึกวิชาพระกันวิชาพระหมายถึงจิตใจไม่มีกําลังเดินทางสู่มรรสู่ผลตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มากินเล่าไม่ได้มาสู่บุหรี่ไม่นามาติดบุหรีไม่ได้มามีพฤติกรรมอะไรที่มันผิดล่องผิดลอยผิดศีลผิดธรรม แต่ว่าที่นี่เขาให้อยู่กันโดยที่ให้ฝึกสติที่เรียกว่าไม่ปกครองกันนะให้ฝึกสติเพราะถ้าเราไม่ฝึกสติเดี๋ยวมันก็มีอาการร้อนอยู่ข้างใ น, นอยู่ไม่ได้หรอกมันจะต้องออกไปไหนก็ไม่รู้แลาวให้เดินอยู่เดินจงกรมอยู่ที่ฐานมันก็เดินไม่ได้ให้นั่งสร้างแง่ความก็ทําไม่เป็นหรอกตรงนี้เราจึงต้องเรียกว่าชัดเจนทีเดียวเรื่องการฝึก ทำอย่างลำบากให้ผลอย่างเร็วเนี่ยมันเป็นยังไงต้องมีเทคนิคปฏิบัติอย่างไรต้องอย้ำหูฟังดีๆหรือปฏิบัติอย่างสบายให้ผลอย่างเร็วนะเขาทำยังไงก็มีสติยังไองถึงจะทําทการงานแล้วก็มีความรู้สึกตัวได้นี่ภาษาศาสนาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาอภิญญาทุกขาปฏิปทาคิปปาอภิญญาทุกขาปฏิปทา ทันธาปิญญาสุขขาปฏิปทาคิดปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันธาปิญญาปฏิบัติอย่างยากให้ผลอย่างเร็วปฏิบัติอย่างลําบากให้ผลอย่างเร็วมันมีนะแต่ถ้าทําไม่เป็นมันก็ไม่ได้ทั้งคู่นะกลายเป็นปฏิบัติอย่างลําบากให้ผลอย่างช้ามากให้ผลอย่างเร็วด้วยปฏิบัติอย่างลําบากให้ผล อย่างอย่างเรวอย่างงี้นะเลื่อบัิดอย่างสบายแต่ดันให้ผลอย่างเรวอย่างเงี้ยตัวนีนนขนน้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการรายงานมิตรคนมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนแท้หรือยอย่างมิตรแท้หรือยอย่างที่รู้จริงอันนี้ประกันส่วนตัวผมเริ่ด ม, มาเชื่อว่าหลวงพ่อกำเขียนนัทนรู้จริงพระมากมายในเมืองไทยก็ก็รู้กันอยู่แต่ว่าทําไมท่านมีมงคลสอสิแปด จะมีความเมตตามีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนเราสัมผัสได้ทันทีเราร้อนๆ น, นะเย็นตามท่านเลยเราจึกกวนกรวายนะรู้สึกมันนิ่งขึ้นมาเลยนะแล้วคําพูดของท่านนะท่านพูดนะทำไมมันเพรียวจังเลยนะมันเหมือนกับอิสระภาพจริงๆไม่ยึดไม่ถือในสมมุติเลยนะอันนี้ไม่ใช่คาชื่นชมแต่ว่ามันสัมผัสอย่างนั้นนะนะมันก็เลยมั่นใจในสิ่งที่ท่านพูดว่าให้ไปเจริญสติ เราก็ศึกษาร่องลอยของท่านก่อนที่ท่านจะมาเป็นวันนี้ท่านก็ฝึกสติจนกระทั่งโอ้กลายเป็นหนังกลายเป็นอตั ต, อตโนประวัติอัตโนประวัติชีวิตของท่านเราดูโดยละข้อมูลนะคิดว่าเป็นข้อสรุปเมื่อเข้าใกล้แล้วท่านก็พูดยำยำซำซำแต่เรื่องสภาวะผู้ ด, ดูให้มีความรู้สึกตัวลงไปให้มีความรู้สึกตัวอย่างลงไปแต่ว่าปฏิบัติยาติดปฏิบัติเวลาปฏิบัติยาติดรูปแบบการปฏิบัติน ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรกันนะก็เป็นเรื่องการใช้ชีวิตนั่นเองที่เราต้องเกี่ยวข้องกันมันมีความรู้สึกตัวนจิตมันก็บริสุทธิ์เมื่อจิตมันบริสุทธิ์วิญญาณก็บริสุทธิ์เมื่อบินรานมันดีจิตมันดีจิตวิญญานมันดีสังคมก็ดีสุขภาพก็ดีบางทีมันป่วยนะมันเรื่องของการเรียนรู้มันมีป่วยว่าอะไรเราเป็นการเรียนรู้ จะเรียนรู้ว่าตากฝนแล้วจะเป็นยังไงเรียนรู้ว่าตากแดดจะเป็นยังไงผึ่งแดดจะเป็นยังไงโดนแดดจะเป็นยังไงเรียนรู้การอดอาหารจะเป็นยังไงก็เรียนรู้ว่าเออถ้าเราดื่มน้ําน้อยจะเป็นยังไงเรียนรู้ถ้านอนน้อยจะเป็นยังไงเป็นการฝึกหัดเป็นประสบการณ์ตรงที่ครั้งหนึ่งเราก็ได้ทําเหมือนกับครูบาอาจารย์เราได้ยินได้ฟังมาแล้วน้อมเข้ามาปฏิบัติที่เราว่าอยากรู้เรื่องใดก็ลองทําอย่างนั้นดู แล้วเราก็จะเกิดประสบการณ์เป็นตัวปัญญาผ่านได้ตลอดเนี่ยคนอื่นอ้าปากเราก็เห็นลิ้นไก่แล้วเขาพูดมาเราก็รู้แล้วเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันทันกันไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่นะตัวนี้มันเกิดมาจากะความรู้สึกตัวสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกตัวตาาวรตวงนั้นมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนไม่เหลือวิสัยที่พวกเราทุกคนจะทําได้ มันจะเป็นความละเอียดประณีตมันจะยังสมควรกับธรรมะที่พระเจ้าได้ว่าทําไมเนี่ยนะมันประณีตมันละเอียดรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากไม่ได้รู้โดยการคิดการตรึกการนึกนมันเป็นประสบการณ์ตรงนะแต่ว่าวิจัยบัณฑิต ร, รู้ได้วิจัยบัณฑิต ร, ร, รู้ได้บัณฑิตคืออะไรบัณฑิตคือความรู้สึกตัวในก้นพานคืออะไร คนพาณิชย์นี่คือมันชอบหลงตัวตัวหลงตัวเนี่ยก็คือสัมผัสแล้วไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นสภาวะผู้ดูนะสัมผัสรู้สึกแล้วเกิดความเป็นกลางสัมผัสแล้วรู้สึกแล้เกิดเป็นธรรมาชาติขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาก็คือมีสติเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่สติเข้าไปอยู่กับรูปนามมีสติระลึกรู้ความรู้สึกตัวไม่ก็จะเห็นตัวกายตัวจิต ตัวจิตก็คือมันรู้สึกสัมผัสต ร, ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเมื่อเรารู้จักกายรู้จักจิตเราก็เห็นสภาวะของความเป็นปกติสภาวะของผู้ดูตรงนั้นแหละมันถึงแทนความคิดเห็นความคิดแล้วถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะหยิบความคิดมาใช้ไม่ใช่ความคิดใช้เราเราใช้ความคิดเกิดคุณค่าความคิดใช้เรามันค่าคุณมันค่า ย, ยัางไง มันก็ฆ่าความเป็นพุทธะจากปกติเป็นไม่ปกติหลงโลภหลงโกรธหลงหลงห ล, หลงรักหลงชังหลงอิจฉาริษยาหลงจนทั้งเห็นผิดเป็นถูกเห็นโกงจากเป็นดอกบัวตรนนั้นนะเราก็จึงมารู้สึกตัวกันนะวันนี้ก็พูดให้ฟังมันก็ไหลามาอย่างนี้ก็พูดให้ฟังอย่างนี้ก็ ตรงไหนที่มันรู้สึกว่าฟังแล้วยังไม่กระใจายก็จะสอบถามกันได้ตรงไหนที่พูดแล้วมันรู้สึกว่าใช่ก็ต่อย่อต่อไปเพว่าต่อยอดต่อไปก็หมายถึงว่ามีร่องรอยที่มันอยู่ข้างในอีกนิดนึงข้างในอีกนิดนึงข้างในอีกนิดนึ่ ง, ง อ, อันนี้ไม่ใช่อนาคตแต่หมายถึงว่ามันเป็นร่องรอยที่สติปัฏฐานมันจะรู้อดีตนิดหนึง่งรู้ปัจจุบันหน่อย แต่ไม่หลงเข้าไปยึดอดีตไม่ได้ห ล, ลงเข้าไปในอนาคตอย่างนี้ยนะมันอยู่กับปัจจุบันอยู่ในแดนของกรรมฐานที่มันเห็นขอบทางเป็นบวกเป็นลบโยนนิดๆนะซึ่งมันเป็นลรืษณะของไหยพริบ ป, ปฏิพานนะที่มันทําให้เราอยู่ในแดนของกรรมฐานแล้วก็รู้สึกอิสระภาพขึ้นมาในจิตใ น, ในใจนะคือแดนของความเป็นปกติเป็นแดนที่จะเรียกว่าวิมุตก็ได้ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งอยู่กับปัจจุบันน ที่ไม่เหมือนกับว่าออกนอกทางซ้ายขอบทางซ้ายหรือขวาเป็นบวกเป็นลบมันจะเดินทางแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความสะดวกและความสะดวกจุดหมายปลายทางก็คือลักษณะของการต้องอการไม่ต้องกลับมาการที่เราเหมือนกับว่าใช้กายใช้ใจของเราทุกทุกขณะทุกๆุกอิริยาบถงารเตือนการหลับ เป็นเป็นลักษณะการใช้ด้วยความถูกต้องนะก็คือมีความรู้สึกตัวกับการ น, นั่งการเดินการยืนการ น, นอนการกระพริบตาหายใจการกินการกับถ่ายถูกต้องแล้วเกิดประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ถูกต้องแล้วเป็นประโยชน์เราเป็นความดีนะไม่ใช่ความชั่วอย่างนี้นะเป็นความดีที่รับกันได้เรารับตัวเองได้ยอมรับตัวเองได้แล้วก็เห็นธรรมชาติที่มันละเอียดเลยเป็นการสัมผัสกระทบรู้สึกเนน่ะ เป็นความละเอียดแล้วก็ชวนให้คนอื่นมาเห็นได้ดูได้เหมือนกันทุกคนตรงนี้ละมันเป็นสิ่งที่เราทำเรื่อบรรยากาศของการยามิตรเราก็จะก่อประโยชน์เป็นมงคลร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความดีความงามแล้วก็เกิดสันติสุขสันติภาพานะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาปกครองเราเราก็จะปกครองตัวเองกันแต่ว่าก็อยู่ในกรอบของรูปแบบปฏิบัติหรือว่ารูปแบบของธรรมมากวินัยด้วย ทุกครั้งที่เราได้พูดได้สนทนาเราก็ยำเกรงกันหรือว่ามีหลวงพ่อครูบาจารย์มาพระสงฆ์เราก็ยำเกรงกันบางทีเดินสวนกันแทบจะชนกันตายนะญาติโยมนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงบางทีเดินยืนคุยกันเนี่มั น, นไม่งามนะโดยส่วนตัวถือว่าสมมุติเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันบางทีหมาวิ่งขึ้นมาเนี่ยบนศาลาเนี่ยไล่มาหน่อ ย, ยวิ่งตามมาเลยนะอันนี้มันเป็นโทษเป็นภัยจริงๆริ มันก็ดีอยู่เมตตาแต่ว่าพระเดชมันก็มีใจพระเดชบางกันล้วพระคุณก็มีพระเดชพระคุณก็ใช้ให้เป็นใช้พระคุณด้วยความเมตตาใช้พระเดช ด, ด้วยสตินะใช้พระคุณด้วยปัญญาอย่างนี้ยเราก็เหมือนกับว่าก็สังเกตด้วยกันแล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นว่าสมควรกาเวลาตรงไหนที่ผิดพลาดไปฟังแล้วไม่สบายใจก็ขออภัยนะทีนี้ด้วยตรงไหนที่ดีเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นประโยชน์ก็ ก็ขอให้เราได้มีอนุโมทนาในจิตใจร่วมกันนะพอยินดีร่วมกันอันนี้เป็นไปเพื่อนะกรรมฐานเพื่อเรามีบรรยากาศของการฝึกหัดกรรมฐานนะทําให้มีผลเราตายสุดเราก็มีกำไรชีวิตกันก็เรียกว่ายิ้มได้มาภพยมาขณะที่จะหมดลมาหายใจสุดท้ายกันก็หวังว่าเราจะได้ช่วยตัวเองกันไม่ได้ให้คนอื่นมาช่วยหรือว่าคนในเราใช้ชีวิตนั่งเดินเย็นนอน ว่ามีความคิดเกิดขึ้นมาก็ถูกสติมันรู้เท่ารู้ทันจนก็ทังเหมือนกับว่าชีวิตเดินทางสู่ความไม่เสื่อมร่วมกันอย่างี้นะกลายเป็นยมจนที่มีแต่ความผาสุกก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีนะธรรมะสมควรแก่การปฏิบัติแล้วก็มีสติสมาธิปัญญากรนะทั้ทงเดินทางสู่การพ้นทุกขนะ์นะในประเพชานี้โดยทัากันทุกคนทุกท่านเถอ